สังคาที่เศษสิขาบทที่สี่ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงลงอุเคปนียกรรมเข้าหมู่เรื่องภิกษุณีจันทกาลี694สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่นพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทกาลีเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อความอื้อฉาวถกเถียงก่อที่กรในสงเมื่อสงจะลงโทษภิกษุณีจันทกาลีนั้นภิกษุณีทุลนันธาก็คัดค้านต่อมาภิกษุณีทุลนันธาเดินทางไปหมู่บ้านด้วยธุระบางอย่างครั้งนั้นภิกษุณีสงทราบว่าภิกษุณีทุลนันธาจากไปแล้วจึงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุณีจันทกาลีเพราะไม่เห็นอาบัต ครั้นภิกษุณีทุลนันธาทำธุระในหมู่บ้านเสร็จแล้วกลับมายังกรุงสาวัตถีเมื่อภิกษุณีทุลนันทากำลังมาภิกษุณีจันทการีไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาดและจีวรไม่เอาน้ำดื่มต้อนรับภิกษุณีทุลนันธาได้กล่าวกับภิกษุณีจันทกาลีนั้นดังนี้ว่า เมื่อฉันกำลังมาฉันในเธอจึงไม่ป่วอาสนะไม่ตั้งน้ำล้างเทา้าตั้งรองนั่งกระเบื้องเช็ดเทา้าไม่ลุกรับบาตรและจีวรไม่เอาน้ำดื่มต้อนรับเล่าพิกษุนีจันท ก, การีตอบว่าแม่เจ้าคนที่ไม่มีที่พึ่งก็ทำอย่างนี้แหละพิกษุนีทุลนันธาถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงไม่มีที่พึ่งภิกษุีจันท ก, กาลีตอบว่า แม่เจ้าภิกษุณีเหล่านี้เข้าใจว่าดิฉันเป็นคนไม่มีที่พึ่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครคอยกล่าวปกป้องจึงลงเคปนิยกรรมดิฉันเพราะไม่เห็นอาบัติภิกษุณีทุลนันทากล่าวว่าภิกษุณีพวกนี้โง่เขาภิกษุณีพวกนี้ไม่ฉลาดภิกษุณีพวกนี้ไม่รู้จักกรรมโทษของกรรมกรรมวิบัติหรือกรรมสมบัติเรานี่แหละรู้จักกรรมบ้าง โทษของกรรมบ้างกรรมวิบัติบ้างกรรมสมบัติบ้างเรานี่แหละพึงทากรรมที่ยังไม่มีใครทำหรือหรือฟื้นกรรมที่ตัดสินไปแล้วได้จึงสั่งให้ประชุมภิกษุณีสงฆ์ทันทีแล้วเรียกภิกษุณีจันทการีกลับข้อมูลบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตานิประนามโพลธนาว่า ชไนแม่เจ้าทุลนันธาจึงเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพียงกันลงบุคคลปริยกรรมโดยทําโดยวิเนยโดยสัตวศาสตร์ให้กลับเข้ามู่โดยไม่บอกการโรคสงไม่รับรู้ฉันทะของคณะเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ